สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับ <c oughs> ในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดเพเรชูตอนที่สี่ร้อยสิบสี่เรื่องดาบพอจะนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่ยี่สิบสองข้อสามสิบห้าจนถึงข้อที่สามแปดโปรดฟังพอจะนะของพระเจ้าพระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงิน ไม่มีย่ามไม่มีรองเท้านั้นท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือเขาทั้งหลายทูลตอบว่าหามีได้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยและย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและผู้ใดที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเชือกคุมของตนไปซื้อดาบด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า พราะจะณซึ่งเขียนไว้แล้วนั้นต้องสำเร็จในเราคือที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับคนอธรรมเพราะว่าคำพยากรณ์ที่เล็งถึงเรานั้นจะสำเร็จเขาทูลตอบว่าโปรงเจ้าค่ะนี่แน่มีดาบสองเล่มรปรงจัดกับเขา ว, ว่าพอแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าทำไมพระเยซู จึงสั่งให้สาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดที่ไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบนั่นแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงส่งเสริมการต่อสู้พระเยซูส่งเสริมความรุนแรงพระเยซูส่งเสริมสงครามใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่านับตั้งแต่ที่เรารู้จักพระองค์มา เราอ่านพระกัมพีมาพวกเราทุกคนทราบดีว่าศาสนาคริสต์หรือกริสเตีศาสนาที่เราเคารพเรามีความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นศาสนาแห่งความรักพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเยซูนั้นทรงรักเราพระเจ้าทรงรักโลกพี่น้องครับคริสเตียนนั้นพูดถึงเรื่องความรักแต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียน อ่อนแองพระเจ้าในข้อที่สามสิบหกได้กล่าวอย่างนี้นะครับพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วยและย่ามก็ให้เอาไปเหมือนกันและผู้ใดที่ไม่มีบาปไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคุมของตนไปซื้อดาบแต่ก่อน้ น, นั้นพระเยซูถามเหล่าสาวกว่า ตอนที่พระองค์ได้ใช้พวกเขาทั้งหลายออกไปทํางานออกออกไปประกาศข่าวประเสริฐออกไปขับผีออกไปสั่งสอนพระเยซูกําชับเขาว่าอย่าเอาถุงเงินไปอย่าเอาย่ามไปพี่น้องครับแต่เดี๋ยวนี้นับแต่นี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่แ บ, บัดนั้นเป็นต้นมาพระเยซูกําชับว่าถ้าใครไม่มีดาบก็ให้ขายเสื้อคุมของตนไปซื้อดาบนั้นมันหมายความว่าอย่างไรถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ แต่เดี๋ยวนี้แสดงว่าเดิมนั้นน่ะเดิมนั้นแต่ก่อนหน้านั้นการประกาศพระพระกิติคุณสั่งสอนเขาให้กลับใจมันเกิดขึ้นในแวดวงที่จำกัดก็คืออยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเองเป็นเพียงแต่แค่เริ่มต้นเป็นเพียงชั่วคราวที่พระเยซูสั่งเขาและคำว่าแต่เดี๋ยวนี้นั้นแสดงว่านับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การประกาศภ้ากิติคุณการดำรงชีพดำนงชีวิตโดยเป็นสาวกของพระเยซูนะั้นก็มีภัยเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ใครก็ตามที่เป็นสาวกนั้นตกอยู่อันตรายครับมีผู้คนมากมายต้องพบปะเขามีคน แ, แปลกมีคนร้ายกาจและมีปัญหาร้อยแปดพันอย่าง นี่คือสาเหตุที่พระเยซูได้บอกกับเหล่าสาวกว่าคุณต้องรู้จักป้องกันตัวเองแต่เดี๋ยวนี้พระเยซูบอกว่าให้เอาย่ามไปด้วยเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นไปเช้าเย็นกลับครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องไปไกลไปถึงต่างประเทศไปทั่วโลกต้องมีย่ามเพราะว่าต้องใส่ของต้องเดินทางไกล ในสมัยนี้ก็คือต้องมีกระเป๋าเชื้อผ้าครับต้องมีการเตรียมตัวต้องพกเงินไปด้วยต้องเอาถุงเงินไปเพื่อต้องการใช้จ่ายในการกินในการเดินทางในการดารงชีวิตและต้องมีดาบเพราะเนื่องจากว่าในการเดินทางนั้นมีสัต์ร้ายอาจจะมีโจรมีขโมยมีคนร้ายพี่น้องครับแม้ว่าในพันธกิจแห่งความรักของพระเจ้าในการประกาศขาวประเสริฐนั้น ไม่ต้องใช้ดาบเลยเพราะว่าใช้แต่ความรักแต่ดาบนั้นมีไว้ป้องกันภัยครับมีไว้ป้องกันตัวเองไม่ใช่เอาดาบไปทำร้ายคนอื่นเพียงนครับเป็นสิทธิของสาวกหรือคนที่ประกอบพันธกิจราชกิจของพระเจ้าที่จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองรักษาชีวิตของตัวเองให้อยู่ยืนยาวไปเพื่อที่จะได้ทางานของพระเจ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นพระเยซูให้เขาขายเสื้อคลุมแสดงว่าพระเยซูนั้นได้กําลังบอกเป็นนัยยะว่าให้ใช้สิ่งที่จําเป็นน้อยกว่าของที่จําเป็นน้อยกว่าเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่จําเป็นมากกว่าสิ่งที่จําเป็นมากกว่าหรือมากที่สุดทํานองเดียวกันกับการว่าเรายอมเสียอ ว, วัยวะเพื่อรักษาชีวิต ท่านหมายความว่าเราต้องเลือก p r i o r i t y หรือความสําคัญมากที่สุดมาก่อน first thing first อย่างไรก็ตามนะครับในข้อที่สามสิบหกนี้ทําให้เกิดข้อคําถามและความเห็นแตกต่างกันระหว่างนักวิชาการพระกมภีครับบางท่านเห็นว่าไม่ควรทําตามตัวอักษรหรือจะต้องไม่แปลความหมายตามตัวอักษรนะครับให้เข้าใจและรับเฉพาะความหมาย ของอันตรายที่เพิ่มขึ้นและให้ระมัดระวังเท่านั้นแต่นักวิชาการพระกัมพีบางกลุ่มก็เชื่อว่าเป็นการถูกต้องที่จะป้องกันชีวิตของตนโดยการติดอาวุธหรือพกพาอาวุธไปด้วยบางคนกล่าวว่าแม้แต่สัตว์ูตบแก้มข้างหนึ่งก็ต้องยืม่มยื่นแก้มอีกข้างหนึ่งให้ตบไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นการพกอาวุธนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งเพียงครับนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าการพกอาวุธ ก็ไม่บาปและการประกาศนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ดาบในการประกาศไม่เหมือนกับศาสนาบางศาสนาครับที่ขยายแนวรบหรือใช้สงครามในการขยายศา ส, สนาพี่น้องครับอย่างไรก็ตามครับเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเยซูทรงสอนตามตัวอักษรหรือไม่ก็ตามแต่บทประยุกต์ใช้ในเช้าวันนี้ก็คือ เราจะต้องมีเซลล์ดีเฟนซ์ครับก็คือเราจะต้องรู้จักปกป้องตัวเองพี่น้องครับการปกป้องตัวเองนั้นมีความสำคัญในแง่ของการรักษาปกป้องชีวิตของตัวเองนับตั้งแต่การรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีครับรู้จักปกป้องชีวิตของเราอย่าให้อยู่ในความเสี่ยงรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงรักษาชีวิตของตัวให้เข้มแข็งทั้งรางร่างกายอารมณ์จิตใจ นี่ถือว่าเป็นเซลฟ์ดีเอนซ์อย่างหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งการรู้จักป้องกันตัวเองทำให้เราไม่อยู่ในความประมาทและเป็นการป้องปรามผมชอบคำว่าป้องปรามไม่ให้ศัตรูคิดทำอะไรตามใจชอบหรือเร่งง่ายจนเกินไปและเห็นว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นอ่อนแอคนที่เรียเป็นลูกของพระเจ้านั้นอ่อนโยนครับแต่ไม่อ่อนแอ ในข้อที่สามสิบแปดเราจะเห็นว่าพระเยซูได้บอกกับพวกเขาว่าพอแล้วเพราะเหตุที่พวกเขานั้นตอบพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข่านี่แนะมีดาบสองเล่มพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพอแล้วถามว่าทําไมพระเยซูบอกว่าพอแล้วครับเราก็รู้กันนะครับว่าไม่ใช่ทุกๆคนที่ใช้ดาบได้แต่เราต้องป้องกันและกันปกป้องกันและกันครับ เราต้องมีสามาัคคีเราต้องช่วยเหลือกันเราต้องปกป้องระวังภัยให้กับกันและกันมีดาบสองเล่มกับคนสิบเอ็ดคนซึ่งเป็นสาวกและพระเยซูพระเยซูบอกว่าพอแล้วพี่น้องครับนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งใหญ่มากในเช้าวันนี้ก็คือการซื้อดาบการมีดาบไม่ได้ผิดนั่นหมายความว่าการที่เราต้องปกป้องตัวเองเราต้องรู้จักระวังรักษาตัวเอง เราต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองและเราต้องรู้จักวิธีป้องปรามเมียศัตรูคิดทําอะไรตามใจชอบได้เป็นสิ่งที่สําคัญและยิ่งไปกว่านั้นครับการช่วยกันปกป้องกันและกันนั้นยิ่งสําคัญเพราะดาบสองเล่มไม่ได้มีทุกๆุกคนครับพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพอแล้วนั่นหมายถึงความสามาัคคีการช่วยเหลือกันการปกป้องซึ่งกันและกันพระเยซูบอกให้ไปซื้อดาบ หมายความว่าให้เรารู้จักปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองจากศัตรูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หกตั้งใจข้อ13่สามสิบสี่สิบห้าเราเห็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ก, ก็มีดาบเหมือนกันมีเชื่อเกราะเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเช้าวันนี้ผมอยากให้เรามีโอกาสหยุดคิดครับว่าเราจะต้องหยุดทำร้ายกันและกันเรามีผู้รับใช้น้อยครับ แต่ถ้าหากว่าเราโจมตีกันและกันก็จะไม่มีใครอยากจะรับใช้พระเจ้าให้เรารู้จักละแวดละวังภัยให้เกิดกันและกันปกป้องกันและกันดาบมีไว้ปกป้องจากศัตรูมิใช่ทําลายกันเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักใช้ดาบเราจะรู้จักที่จะไปซื้อดาบและเราจะรู้จักที่จะเชื่อฟังพระเยซูในการที่เราจะไม่ ขยายอาณาจักรของปร่งด้วยดาบครับแต่เราจะใช้ความรักที่มีต่อกันนั้นขยายอาณาจักรของพระเจ้าอาเมน